จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทคูบาโสภูบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28่ธันวาคมพุทธศักราชสองพเป็นวันพระวันธรรมัวัฒนาวันฟังธรรมวันที่สาธุชนพุทธบริษัท ได้มาวัดเพื่อมาประกอบความดีสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการละบากรักษาศีลด้วยการชำระจิตใจให้สะอาดด้วยการภาวนาเพราะรู้ว่าเวลาจะหมดไปเรื่อยๆอย่างวันนี้ก็เลยไม่กี่วัน ก็จะสิ้นปีวันนี้28อีกสามวันก็สิ้นปีพอปีผ่านไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกปี2557พอขึ้นวันที่หนึ่งปี2557ก็หมดไปปี2558ก็มาแทนที่เวลาที่ผ่านไปแล้วเราไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ เราไม่สามารถทําอะไรได้แล้วถ้ามันผ่านไปแล้วแต่ในขณะนี้มันยังไม่ผ่านเรายังเอามาใช้ประโยชน์ได้ถ้าเราเอามาทําบุญมารักษาสี่มาภาวนาเราก็จะสร้างประโยชน์ให้กับเราสร้างความสุขให้กับเราละความทุกข์ดับความทุกข์ให้กับเรา ความสุขความทุกข์ไม่เกิดขึ้นเองความสุขไม่เกิดขึ้นเองความทุกข์ไม่หายไปเองอยากจะได้ความสุขก็ต้องทําบุญอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องรักษาสีต้องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะนี้เป็นเรื่องของเหตุของผลถ้าเราไม่มีเหตุผลก็ไม่เกิดอย่างชาวนาชาวไร่ มีนาแต่ถ้าไม่ปลูกข้าวก็จะไม่ได้ต้นข้าวไม่ได้รวงข้าวถ้าอยากจะได้รวงข้าวต้นข้าวก็ต้องปลูกข้าวเด็กนักเรียนที่จะเรียนจบปริญญาได้ก็ต้องตั้งใจเรียนไปโรงเรียนทําการบ้านแล้วก็สอบให้ผ่านถ้าสอบผ่านก็จะได้รับปริญญาดังนั้นสิ่งต่างๆทั้งที่ดีและไม่ดี เกิดจากการกระทำของพวกเราเองพวกเราจึงต้องพยายามทำสิ่งที่ดีที่จะทำให้เกิดผลดีกับเราและยับยั้งหักห้ามจิตใจอย่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะจะทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเสียหายตามมาได้นี่คือหลักธรรมของพพระพุทธเจ้าสอนลงไปที่หลักของเหตุผล เหตุและผลนี่ก็คือกฎแห่งกรรมนี่เองกรรมก็แปลว่าการกระทากรรมนี่เป็นเหตุวิบากเป็นผลทำแล้วก็จะต้องเกิดผลตามมาทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วนี่คือเป็นกฎตายตัวจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามมันจะต้องแสดงผลของมัน เหมือนกับเวลาเราปลูกต้นไม้เราจะเชื่อหรือไม่ก็ตามว่าต้นไม้นี้เมื่อปลูกไปแล้วจะออกผลไม้ให้กับเราถ้าเราไม่เชื่อมันก็ออกผลอยู่ดีปลูกกล้วยมันก็จะออกกล้วยปลูกสับปะรดมันก็จะออกสับปะรดมันจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่ว่าเราปลูกหรือไม่ปลูก ถ้าเราไม่ปลูกมันก็จะไม่ออกดอกออกผลถ้าเราปลูกถ้าไม่มีอุปสรรคเช่นไม่มีแมลงมากัดทำลายก็มันก็ถึงเวลามันก็จะต้องออกผลของมันฉันใดการกระทำของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นทาแล้วมันจะต้องมีผลตามมาเสมอผลก็มีอยู่สองทางสองส่วนด้วยกันผลที่เกิดขึ้นภายในใจของเรา และผลที่เกิดขึ้นภายนอกที่ได้รับจากผู้อื่นเช่นเวลาเราทำความดีอย่างวันนี้เรามาทำบุญใจเราก็มีความสุขมีความสบายถ้าใครเขารู้ว่าเราทำความดีเขาก็จะอนุโมทนาชื่นชมเย็นดีกับการกระทาของเราถ้าเขา้มีของแจกเขาก็จะแจกให้เรา เพราะเห็นว่าเราเป็นคนดีอยากจะสนับสนุนคนดีมีอะไรที่จะให้ได้ก็อยากจะให้กับคนดีเพราะคนดีไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นคนดีมีแต่ทำประโยชน์ให้ความสุขแก่ผู้อื่นในทางตรงกันข้ามถ้าเราทำบาปทำไม่ดีเราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมา และภายนอกคนถ้าเขารู้ว่าเราทำบาปเขาก็จะรังเกียจเราจะไม่อยากคบค้าสมาคมกับเราถ้าเราทำบาปถึงกับต้องจับไปลงโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมาตามจับตัวเราไปลงโทษจับไปเข้าคุกเข้าตารางหรือถ้าเป็นโทษหนักก็ประหารชีวิตอันนี้ก็เกิดจากการกระทำของเรา ไม่ได้เกิดจากใครทั้งนั้นถ้าเราไม่ทำบาปไม่ทำผิดกฎหมายเช่นถ้าเราไม่ไปฆ่าคนเขาจะไม่มาจับเราไปเข้าคุกเข้าตารางแต่ถ้าเราไปฆ่าคนแล้วเขาก็จะต้องจับเราไปเข้าคุกเข้าตารางนี่เป็นผลภายนอกผลภายในก็คือพอเราฆ่าเขาแล้วใจเราก็หวาดกลัวใจของเราก็ไม่สงบ ใจของเราก็วุ่นวายวิตกกังวลต้องคอยหลบหลบซ่อนๆนไม่กล้าโผล่หน้ามาให้ใครเห็นเพราะกลัวจะถูกเขาจับไปลงโทษหรือกลัวเขาจะมาทำร้ายเราแต่ถ้าเราไม่ได้ฆ่าใครเราก็จะไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องวุ่นวายใจเราไปไหนมาไหนเราก็ไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะมีใครมาทำร้ายเรา นี่คือผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันดังนั้นถามว่ากรรมมีจริงหรือไม่ตอบได้เลยว่ามีจริงกรรมมีทั้งเหตุและทั้งผลเหตุก็คือการกระทําของเราเพราเราทํากรรมอยู่ตั้งแต่เติข่ขเกิมาจนหลับทำอยู่ทุกวันกรรมก็มีอยู่สามอย่างด้วยกันกรรมดีกรรมไม่ดีและกรรมที่เป็นกลางกลางไม่ดีไม่ไม่ดีไม่ไม่ดี คือไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป ก, การอะไรที่เป็นบุญการกระทาอะไรที่เป็นประโยชน์ให้ความสุขแก่ผู้อื่นเราเรียกว่าบุญอย่างวันนี้ญาติโยมนำกับข้าวกับปลาอาหารของข้าวของหวานมาถวายพระเป็นการให้ความสุขแก่ผู้อื่นอันนี้เรียกว่าบุญการทำบาปก็คือการกระทาที่ทาให้เกิด ความทุกข์เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเช่นเราไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไปประพฤติผิดประเวณีไปแย่งสามีภรยาของผู้อื่นไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเขาต้องเกิดความเสียหายอันนี้ก็เรียกว่าบาปทำแล้วก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ส่วนการกระทาที่ไม่ใช่เป็นบุญไม่ใช่เป็นบาป ก, ก็คือการกระทาที่เกี่ยวกับตัวเราเช่นเราอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารไปโรงเรียนการกระทำเหล่านี้เรียกว่าไม่ได้เป็นบุญไม่ได้เป็นบาปไม่มีผลไม่ได้ทำให้เราทุกข์ใจหรือไม่ได้ทำให้เราสุขใจดังนั้นขอให้เรารู้ว่าถ้าเราต้องการ ความสุขใจเราก็ต้องทำบุญถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์ใจเราก็ต้องละบาปอย่าทำบาปถ้าเราไม่มีความต้องการบุญหรือบาปเราก็ทำเรื่องเกี่ยวกับตัวเราไปดูแลรักษาร่างกายของเราไปทำงานทำการหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องซื้อข้าวซื้อของมากินมาดื่มมาใช้ อันนี้เป็นการกระทําที่เป็นกลางไม่มีผลดีและผลร้ายผลของบุญและบาปนี้นอกจากเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แล้วยังมีผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราตายไปอีกอันนี้เป็นผลที่เรามองไม่เห็นกันเพราะว่าผู้ที่ไปรับผลนี้เป็นมนุษย์ร่องผลนั่นเองเรามีสองส่วนด้วยกันเรามีส่วนที่เรามองเห็น และเรามีส่วนที่มองไม่เห็นส่วนที่มองเห็นก็คือร่างกายของเราส่วนที่เรามองไม่เห็นก็คือใจของเราใจของเรานี่แหละเป็นผู้กระทากรรมที่แท้จริงร่างกายของเราเป็นเพียงผู้รับคำสั่งเช่น ว, วันนี้เรามาวัดได้ใครเป็นคนสั่งให้มาร่างกายสั่งตัวเขาเองมาไม่ได้แต่ความคิดนี่แหละเป็นผู้สั่ง แล้วความคิดมาจากที่ไหนความคิดก็มาจากใจใจคือผู้คิดผู้รู้ส่วนร่างกายเป็นผู้รับคําสั่งของของใจอีกทีหนึ่งดังนั้นผู้ที่ทํากรรมจริงๆคือไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายตายไปแล้วก็ไม่ต้องไปรับผลบาปผลบุญต่อไปเพราะร่างกายไม่ได้เป็นผู้กระทําเป็นเพียงแต่ผู้รับใช้ ผู้กระทำที่แท้จริงก็คือใจใจนี้แหละที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปเวลาตายไปถ้าบาปผลบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงเราไปรับผลบาปที่ไปรับผลบาปก็คืออบายสีเดระชานเปรตอสุรกายและนากนี่ไม่ใช่เป็นสถานที่อบายนี่ไม่ใช่เป็นสถานที่ ไม่เป็นเหมือนกับเมืองพัทยาหรือกรุงเทพที่เราเดินทางไปกันแต่นี่มันเป็นสภาพจิตใจของเราใจของเรานี่เป็นเหมือนกับโรงละครโรมใหญ่ที่เราสามารถเนรมิตรโรงละครให้มีฉากต่างๆได้เนรมิตฉากให้เป็นสวรรค์ก็ได้เนรมิตฉากให้เป็นนรกก็ได้เวลาที่เราทํำบาปแล้วใจเราร้อน อันนี้แหละเรากำลังสร้างนารกขึ้นมาภายในใจของเราและบาปต่างๆที่เราทำนี้มันก็จะสะสมไว้เหมือนกับเงินที่เราเอาไปฝากไว้ในธนาคารมันจะเพิ่มยอดขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยพอถึงเวลาถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงให้ใจเรานี้ไปสร้างนารกขึ้นมาภายในใจ สร้างความทุกข์สร้างความร้อนต่างๆถ้าเราอยากจะดูหนังตัวอย่างของนรกของอบายว่าเป็นอย่างไรก็ดูตอนที่เรานอนหลับเวลาที่เราฝันนี่แหละเวลานั้นหละเป็นเวลาที่ใจของเรารับวิบากกรรมของการกระทาของใจถ้าเรานอนหลับฝันร้ายก็แสดงว่าใจของเรามีบาปมากกว่าบุญถ้าเรานอนหลับแล้วฝันดี ใจของเรามีบุญมากกว่าบาปเราก็จะได้รู้อนาคตของเราว่าเวลาเราตายไปเราจะไปทิศทางไหนกันถ้าเราฝันร้ายบ่อยๆนี่แสดงว่าอนาคตของเราก็คื อ, อบายถ้าเราฝันดีบ่อยๆ อ, อนาคตของเราก็คือสวรรค์อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเวลาที่ร่างกายนอนอยู่เฉยๆ ร่างกายไม่ได้ทำอะไรผู้ที่ทำในตอนนั้นก็คือใจทำตามวิบากที่ตนเองได้สร้างเอาไว้สร้างบุญไว้บุญมันก็จะเนรมิตสวรรค์ให้กับใจสร้างบาปไว้บาปก็จะเนรมิตนรกให้กับใจอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราไม่เข้าใจกันเราเลยไม่เชื่อในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์กัน เพราะเราไม่สามารถค้นหานารกหาสวรรค์ได้นั่นเองถึงแม้เราจะส่งเครื่องบินด้วยยานอวากาศขึ้นไปท้องฟ้าไปไกลขนาดไหนเราก็จะไม่มีวันพบสวรรค์ถึงแม้เราจะส่งเรือดำน้ำําลงไปสู่ใต้มหาสมุทรเราก็จะไม่สามารถพบนรกได้ เรนโลกสวรรค์นี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไม่ได้อยู่ในจักรวาลนี้แต่อยู่ในโลกทิพย์โลกทิพย์ก็คือใจของเรานี่แหละที่เป็นโลกทิพย์ดังนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่ามีโนาโลกมีสวรรค์หรือไม่ท่านบอกว่าให้ดูในใจโนาโลกอยู่ในอกสวรรค์อยู่ในใจเวลาใจมีความสุขอย่างตอนนี้ใจเรามีความสุข ใจเราเป็นสวรรค์บุญนี้เนรมิตสวรรค์ให้กับเราเวลาที่เรามีความทุกข์เป็นเวลาที่บาเนรมิตนรกให้กับเราอันนี้เชื่อพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีตาทิพมีหูทิพสามารถมองเห็นโลกทิพได้แต่พวกเราไม่มีตาทิพไม่มีหูทิพจึงมองไม่เห็นกัน เหมือนกับคนตาบอดที่ไม่สามารถมองเห็นอะไรต่างๆอย่างที่พวกเรามองเห็นกันได้แต่คนตาดีนี่มองเห็นหมดเห็นว่าสาลานี้กว้างยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่มีคนอยู่มากน้อยเพียงไรแต่ถ้าลองถามคนตาบอดดูเขาบอกเขามองไม่เห็นเขาไม่รู้เขาจึงต้องเชื่อคนตาดี ฉันใดพวกเราที่ยังเป็นคนตาบอดอยู่เรายังมองไม่เห็นโลกทิพย์เราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจา้าเชื่อพระอาหารหันตสาวกนี่จึงเป็นที่มาของคำว่าพุทธธรรมธรรมังสังขังสรนานรนังกัจฉามิเราต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะท่านเป็นคนตาดีเราเป็นคนตาบอดถ้าเราต้องการไปสวรรค์ไปนิพพาน ถ้าเราต้องการยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะท่านเป็นผู้ที่ไปมาถึงแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปถึงสวรรค์ลแล้วไปถึงนิพพานแล้วยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วถ้าเราอยากจะเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เราก็ต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือสาเหตุที่เวลาที่เราประกอบพิธีอะไรต่างๆเช่นเวลาเราขอศีลเรามักจะต้องกล่าวถึงสารณะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อยืนยันความศรัทธาของเราว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราท่านสอนให้เราทําอะไร เราจะตับเราจะปฏิบัติตามอย่างไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อแม้เพราะเราเชื่อว่าถ้าเราปฏิบัติตามแล้วเราจะได้รับผลดีอนาคตของเราจะดีขึ้นไปได้เรื่อยพพชาติของเราจะดีขึ้นไปได้เรื่อยจะเป็นสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปได้เรื่อยจนในที่สุดก็ถึงสวรรค์ชั้นนิ่านได้ถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่ทาตาม เหมือนคนตาบอกถ้าไม่เชื่อคนตาดีคิดว่าคนตาดีหลอกจะพาไปตกาพาไปตกหลุมตกบอก่อพาไปโนนรถชนเขาก็จะไม่กล้าทาตามที่คนตาดีบอกแต่คนตาดีบอกข้ามถนนได้แล้วตอนนี้ไฟแดงแล้วไม่มีรถวิ่งแล้วคนตาบอดจะทำอย่างไรจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อก็ไม่กล้าเดินข้ามถนน ถ้าไม่ข้ามถนนก็ไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างพวกเราถ้าไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เชื่อบาปไม่เชื่อนรกไม่เชื่อการยุติของการเวียนว่ายตายเกิดไม่เชื่อว่าตายแล้วต้องไปเกิดมามอเราก็จะไม่กล้าทำตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเราก็จะทำตามความอยากของเรา เราอยากจะทำบาปเราก็จะทำบาปเช่นเวลาเราโกรธใครมากๆเราอยากจะฆ่าเขาเราก็ฆ่าเขาได้เวลาเราอยากจะได้ทรัพย์มากๆเราไม่มีของเราเราเห็นคนอื่นเขามีเราก็ไปลักทรัพย์ของเขามาเพราะเราไม่เชื่อว่ามีผลบุญผลบาปตามมาเราจะไม่อยากจะทำบุญเพราะเราเสียดายเงินทอง เราอยากจะเอาเงินทองไปซื้อข้าวซื้อของซื้อความสุขต่างๆเราก็จะไม่อยากจะทำบุญกันนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะใจของเรานี่มีความอยากมากอยากได้อะไรก็จะหามาหามาโดยวิธีทไม่ทำบาปไม่ได้ก็จะทำบาป ถ้ามีเงินก็จะไม่อยากจะทำบุญอยากจะเก็บเอาไว้ซื้อข้าวซื้อของซื้อความสุขต่างๆแต่เราไม่รู้ว่าความสุขที่เราได้รับนี้เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขประเดียวกระดาวเป็นความสุขที่จะมีความทุกข์ตามมาเช่นถ้าเราใช้เงินใช้ทองซื้อข้าวซื้อของซื้อความสุขอะไรต่างๆไปเรื่อยๆ ต่อไปเวลาเงินทองหมดเราจะทำอย่างไรเราอยากจะซื้อก็ซื้อไม่ได้เมื่อซื้อไม่ได้ไม่มีเงินทองก็ไปลักขโมยของคนอื่นพอไปลักขโมยก็ทาบาปพอทำบาปแล้วก็เกิดเรื่องวุ่นวายตามมาถูกตํารวจจับเข้าไปทังคุกขังตารางมียศมีตาแหน่งอะไรก็ถูกคอบครดไปหมดอันนี้ก็เป็นผลเพราะว่าเราไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาป เราไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะมีแต่ความสุขอยากจะไม่มีความทุกข์ภายในใจเราต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ท่านดับความทุกข์ของท่านได้หมดแล้วท่านก็สร้างแต่ความสุขขึ้นมาจนมีเต็มเปลี่ยนไปภายในหัวใจจนไม่ จนไม่ทั้งกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับพวกเราอีกถ้าพวกเราอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระอาหารหันตสาวชนทั้งหลายที่มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เราก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนท่านสอนให้เราทำบุญให้ละบาปแล้วก็ให้กำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจ นี่แหละเป็นหน้าที่ของเราถ้ามีใครก็ถามว่าเกิดมาทำไมก็บอกว่าเกิดมาทำบุญเกิดมาละบาปเกิดมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะผลที่จะได้นี้ก็คือพระนิพพานการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดถ้ายังไปไม่ถึงพระนิพพานก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทพไปเกิดสวรรค์ชั้นพรหม แล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาทำบุญมาละบามาํำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ใหม่จนกว่าจะไปถึงพระนิพพานถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราก็จะทำตรงกันข้ามกันเราก็จะไม่ทำบุญเราจะทำบาเราจะไม่ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์พอเราตายไปเราก็ต้องไปเกิดในอบายชั้นต่างๆไปเกิดเป็นเดราาัจฉาน บ้างเป็นเปรตบ้างเป็นน ส, สุลกายบ้างไปตกนรกบ้างพอใช้กรรมหมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็กลับมาทำบาปใหม่ไม่ทำบุญไม่ชำระใจให้สะอาดใหม่พอตายไปก็กลับไปเกิดในอบายนี่นี่คือที่ไปของผู้ที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อในพระพุทธพธรรมพระสง์ ผู้ที่ไม่ทำบุญไม่ละบาปไม่ชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือที่ไปของพวกเรามีอยู่สองทางด้วยกันให้เราเลือกเราจะไปสูงหรือจะไปต่ำก็ได้ไม่มีใครสามารถสาบแช่งให้เราไปต่ำไปสูงได้เราเป็นผู้ที่จะต้องเป็นผู้เดินไปเองใครก็จะมาสาบเราว่าขอให้ตกนรก ถ้าเราไม่ทำบาปรับรองได้ว่าไม่มีวันตกนรกถ้าเราไม่ทำบุญแล้วมีคนมาขอให้เราไปสวรรค์เราก็ไปไม่ได้อย่างเวลาที่คนตายไปเรามักจะพูดกันว่าขอให้ไปสู่สุกติเถิดสุกติก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆนี่เองขอไม่ได้บอกให้เขาไปไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้สร้างเหตุที่จะพาให้เขาไปถ้าเขาไม่ทาบุญไม่ละ บ, บา เขาไปไม่ได้เขาต้องทำบุญหน้าบาปถ้าเขาทำบุญลาบาปแล้วไม่ต้องไปขอเขาก็ไปอยู่ดีงนั้นเวลาคนตายไปแล้วไม่ต้องไปพูดให้เสียเวลาพูดตอนที่มีชีวิตอยู่จะดีกว่าเพราะเขายังมีโอกาสที่จะทำได้ความจริงแล้วการสวดศพนี้ไม่ควรจะสวดกันถ้าสวดให้คนตายนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนเวลาพระจะสวดต้องไปเคาะที่โรง ุคนตายให้ขึ้นมาฟังคนตายไปแล้วฟังไม่ได้ที่สวดนี้สวดให้คนเป็นคนที่มาร่วมงานศพหลายคนมาร่วมงานศพก็ไม่สนใจจะฟังกันนี่เพราะพระตั้งนโมก็หันหน้าเข้าหาคุยกันเลยมือก็พนมไปปากก็คุยกันไปอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เจตนาของการสวดที่แท้จริงก็คือต้องการสอน แต่ก็ไม่สอนไม่ถูกหลักเองว่าเพราะสอนภาษาที่คนฟังฟังไม่รู้เรื่องสอนภาษาบาลีคนฟังก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้บางวัดท่านถึงใช้วิธีสวดแปลไปสวดแล้วก็แปลไปด้วยแปลเป็นภาษาไทยถ้าเราฟังเราก็จะเข้าใจความหมายว่าท่านสวดอะไรกันกุศลาธรรมอาอกุศลาธรรมาอปยากระตาธรรม ะ, ะก็คือบุญ กุศลาก็คือบุญอะไรเงอกุศลาก็คือบาปอัปปากัตตาก็คือไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเนี่ยพระท่านสอนเราแต่เราฟังไม่รู้เรื่องกันดังนั้นสมัยนี้เขาจึงมีการแปล ก, กันหรือบางทีก็เป็นการสวดเป็นภาษาไทยไปเลยเพื่อคนฟังจะได้เข้าใจว่าท่านกําลังสวดอะไรกันท่านต้องการให้เรารู้ว่า บุญลหรือบาปนี้อยู่ที่ตัวเราตัวเราเป็นผู้กระทาตัวเราเป็นผู้ ผ, ผลิตมันขึ้นมาเมื่อผลิตแล้ ว, ลวเวลาร่างกายตายไปใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็ต้องไปรับผลของบุญของบาป ท, ที่เราทำกันอันนี้คือเรื่องของการศึกษาร่ำเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าควรที่จะเรียนในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ อย่างวันนี้เรามาศึกษากันมาเร่มเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้ากันขั้นต่อไปหลังจากที่เราเรียนแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนให้ทำบุญก็ต้องพยายามทำบุญอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้เราทำบาปเราก็อย่าไปทำบาปพระพุทธเจ้าสอนให้เราลดละกิเลสตัณหาเราก็ต้องลดละกิเลสตัณหา เวลาโลภเวลาอยากได้อะไรก็ถามก่อนว่าจําเป็นไหมสิ่งที่เราอยากได้นี้ถ้าไม่ตายไม่ได้มาจะตายหรือไม่ถ้าไม่ตายก็ถือว่าไม่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นก็อย่าเอามาดีกว่าเพราะเอามาเท่าไหร่ก็จะไม่พอได้มาแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้ของใหม่อีกได้มาแล้วของก็เต็มบ้านไปหมดแล้วได้ประโยชน์อะไรจากการได้ของอย่างนี้ ไม่ได้ประโยชน์ทางจิตใจเลยมีแต่กลับได้ตัณหากิเลสเพิ่มมากขึ้นอยากมากขึ้นถ้าอยากจะได้บุญก็เอาเงินที่เราอยากจะซื้อของนี้ไปทาบุญแทนเอาเงินไปแจกให้คนป่วยคนยากจนคนทุกข์คนเดือดร้อนให้ทานของพอให้แล้วใจของเราจะมีความสุขแล้วความอยากก็จะน้อยลงไปต่อไปเราไม่ต้องอยากจะได้อะไร เวลาไม่มีเงินเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราซื้อของตามความอยากความอยากมันจะไม่หมดแล้วพองเงินหมดมันจะเดือดร้อนเพราะจะต้องไปทำบาปต่อไปเพื่อจะได้ทำตามความอยากอีกนี่คือการเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วทำตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ได้ถ้าทำตามได้แล้วรับรองว่าจิตใจของเราจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้น จะมีความทุกข์น้อยลงไปและหมดไปได้ในที่สุดจึงขอให้ท่านจงมีมความศรัทธาความเชื่อในพระพุทธธรรมระสงค์และนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแต่เวลาจึงขอยุติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัย